เสียงอ่านหนังสือพระรัตนตรัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณแนะนำเนื้อหาจากผู้บันทึกเสียงพื้นฐานที่สำคัญสู่ความเป็นพุทธะ แ, และการบรรลุ ธ, ธรรมรวมถึงการรักษาพระศาสนาไว้ได้จริงต้องรู้ซึ้งในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณได้ถูกต้องตรงทาง จึงจะเป็นผู้เข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดจนได้ชื่อว่ายึดธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังคําปฏิญาณที่ว่าพุททังสรารนังขจามิจนถึงสังคังสรนังขจามิได้อย่างแท้จริงหนังสือเล่มนี้จะทําให้ท่านเข้าใจความหมายแห่งพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณด้วยคําอธิบายในความหมายที่ลุ่มลึกผ่านคุณอันประเสริฐในบาลีแต่ละคำจากบทสวดที่เป็นพุทธวจนะโดยตรง และพระผู้รู้ต่างกล่าวตรงกันว่าเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสังสารวัฏคือบทอิติปิโส ซ, ซึ่งชาวพุทธสวด ก, กันแทบทุกคนมานานแต่กลับไม่รู้ความหมายแท้จริงที่แฝงอยู่ในแต่ละคำอีกมากมายประโยชน์และอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและการสวดมนต์จึงไม่เกิดผลเท่าที่ควรเราไม่อาจเป็นพุทธแท้หรือเข้าใจเรื่องจิตคือพุทธ หรือสภาวะแห่งนิพพานไม่อาจยึดพระรัตนตรัยเป็นสาระสูงสุดได้จริงไม่อาจเข้าใจธรรมหรือสอนธรรมใครได้ตรงจริงถ้าหากไม่เข้าใจพุทธคุณจนถึงสังฆคุณได้ดีจริงจึงถือว่าความเข้าใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องฝ่ายศึกษาให้เข้าถึงเข้าใจให้ตรงให้ได้การหมนึกถึงสิ่งใดเป็นประจาด้วยความประทับใจเข้าใจจริง ย่อมดึงดูดหรือส่งเสริมให้คุณสมบัติแห่งสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในใจได้โดยง่ายพลังแห่งกุศลที่เกิดในจิตด้วยศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาคือสวดหรือระลึกถึงด้วยความก็ใจจริงย่อมมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆแม้แต่อุปปาติกาดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตได้โดยง่ายที่จะส่งผลดีให้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้ต่อไปและเป็นเหมือนกรอกั้นสิ่งอัปมงคล คนไม่ดีและสิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากชีวิตนอกจากการเข้าใจถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยในเชิงลึกว่าจะส่งเสริมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าและส่งผลดีตั้งแต่ชาตินี้ถึงชาติหน้าได้หลายอย่างอย่างไรยังมีคำอธิบายเสริมในหลายเรื่องที่จะเกิดประโยชน์อีกหลายด้านทั้งความเข้าใจในธรรมของแต่ละคน และส่งผลดีต่อภาพรวมในการรักษาพระาศาสนาให้ถูกต้องตรงทางยืนนานต่อไปสำหรับคุณแห่งพระรัตนตรัยนั้นแนะนำให้ฟังซ้ำๆจนจำความหมายได้ขึ้นใจใหถึงขนาดที่เวลาสวดบาลีล้วนและแปลความหมายได้ตรงและลึกซึ้งจะเกิดประโยชน์มากทั้งขณะสวดที่สามารถใช้เป็นการฝึกสมาธิเป็นในตัวใหจิตสงบได้ง่ายขึ้นใช้เป็นหลักในการสร้างกุศลจิต สร้างบุญให้ตัวเองได้ง่ายๆในทุกวันซึ่งช่วยแก้ปัญหาทางกายและใจได้หลายอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหรือใช้ในช่วงเวลาสำคัญก่อนจากโลกนี้ไปตามหลักว่าจะไปสุคติได้จริงจิตสุดท้ายต้องเป็นกุศลเท่านั้นและคนที่สวดหรือมันระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นประจำจะมีหลักให้จิตเป็นกุศล ลอยวางเรื่องทั้งโลกได้ง่ายกว่าคนทั่วไปมากซึ่งอาจเป็นโอกาสทองแห่งการบรรลุธรรมหรือประกันว่าไปสุคติได้จริงนะครับอ่านโดยอริยะคุณชมรมพลดีร่วมจัดทําโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตรครอบครัวโลติวิกุลครอบครัวอริยชาติพดุงกิจเจ้าภาพรองครอบครัวสีโพ ค, คาสมพลเศรษฐีชัยชนะครอบครัวขหาสุวรรณ